ได้ยินการรการหลวงพอ่พอครับได้ยินครับผมชอบแนะปกีิผมฟังไม่ทราบตอนไหนที่หลวงพ่อบอกว่าเอ่อตอนเราเกิดมันไม่มีไม่มีครตอนตายมันก็ไม่มีอะไรเงี้ยครับแต่ผมผมชอบออตรง น, นี้มากเลยครับตัวเรา ต, ตัวเราเกิดมามันไม่มีนะผมผมจะหยดุดไม่ได้น ะ, ะในเมื่อเกิดมันไม่มีตายมันก็จะไม่มีอ่ะผมผมชอบตรง น, นี้มากเลยครับอันนี้ทำให้แบบว่ามันแบบ มันมันมันเข้าไปได้ใจว่าจริงๆเราเราเกิดมามันก็ไม่มีอะฮะมันมันมันบอกไม่ถูกนะไม่สุภาเราเราเรารู้ตรงนี้เราสึกว่าเรามีความรู้สึกว่ามันเออมันนะมันบอกไม่ถูกอ่ะคือถ้าเรามองนะถึงว่าเรามองแบบเจ้าชายสิทธัตถาก่อนเนาะเจ้าชายสิทธัตถะตอนที่เออ่ยังไม่ตัจรู้เนี่ยนะอตอนนั้นเขาเรียกว่าเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านก็ยังมีความมีความเข้าใจมีความเห็นว่าท่านเนี่ยได้เกิดมาเนาะ ได้เกิดมาเป็นเนี่ยลูกกษัตริย์ชื่อว่าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแล้วก็พอตอนหลังท่านก็เกิดเบื่อหน่ายในความเป็นกษัตริย์ในความแบบฟุ่มเฟือยในความหรูหราอะไรต่างๆเบื่อแล้วมันไม่มีความสุขอ่ะคล้ายๆว่าทั้งทังที่มันมีทุกอย่างบริบูรเนาะแต่ความรู้สึกว่าท่านก็เบื่อเห็นการรบการฆ่าความการชิงแย่งอานาจอะไรเนี่ยอันนี้ท่านก็คิดในใจว่าเอ๊ะทํำยังไงถึงจะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บได้อะนะอืม ท่านก็เลยเนี่ยออกออกบวชแล้วก็ไปค้นหาสัจธรรมจนกระทั่งที่ท่านตรัสรู้เนี่ยท่านก็พกความจริงเลยว่าเราไม่ได้เกิดมาแต่ที่เกิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของเ อ, อปัจจัยปรุงแต่งก็คือเรื่องของาธาตุใช่ไหมเออที่มาผสมรวมกัน เ, เพราะฉะนั้นเนี่ยพอท่านมีปัญญาแจ่มแจ้งท่านก็เลยเข้าใจว่าเอา้าที่แท้เนี่ยมันไม่มีเราเราไม่ได้เกิดพอเราไม่ไม่เกิดท่านก็เข้าใจเรื่องความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แล้วก็ที่เกิดมาเนี่ยที่เรียกว่ามีสังขารเนี่ยมันก็เป็นชาติสุดท้ายแล้วก็จะไม่ไม่หลงผิดไม่มาหลงผิดมายึดถือมาเกิดเป็นนั่นเป็นนี่อีกคือมันหมดเชื้อเชื้อของความเกิดอะ่ะก็เลยไม่ต้องเกิดมาเป็นตัวเป็นตนอีกแต่ธรรมชาติดินน้ําไฟลมมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมัแหละยังอยู่กระจายกระจายอยู่เป็นธรรมธรรมชาติแต่นั่นไม่ใช่ท่านแล้วไง <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ท่านแต่มันเป็นธรรมชาติเป็นธาต ทีนี้เนี่ยที่เรามาเรียนพุทธศาสนาก็คือมาเข้าใจตามที่ท่านสอนนั่นแหละท่านบอกวิธีท่านบอกอะไรต่างๆหมดเพียงแค่ว่าเออเนาะตั้งใจแล้วก็ปฏิบัติตามที่ท่านสอนนะจริงๆมันก็ออกว่าไปมันก็คือบรรลุได้เหมือนกันเนาะแต่ทีนี้มันอย่างว่าันเราบางทีเราก็มันชอบที่จะเกิดไง่ <laughs> ชอบที่จะเกิดก็เลยไม่ตั้งใจกันเท่าไหร่คือคือส่วนใหญ่ก็จะไม่ไม่ไม่ทราบว่า เออจะมีตัวตั้งแตเกิดมาใช่ไหครับเราว่าเราเรามีพ่อมีแม่เกิดในท้องพ่อใช่ไหมครับเกิดในท้องแม่ขึ้นมาเนี่ยครัแล้วก็มีตวัวก็สอนให้มีจากตัวรู้อะไรครับทำอะไรก็เพื่อตัวเองเ่อาทางทางทั้งโลกนะครับ อ, อันนี้ทางทำแล้วพอเรามียิ่งมากขึ้นนะฮะมันก็เจอสึกมากมายเนี่ยครับเราก็อเอ๊ะทำยังไงนะเกิดก็มีความคิดนะอย่างที่เมื่อกี้เคยฟังแต่ในท่าน ท, ที่ที่เข้ามาในห้องเบอกว่า ตอนตอนที่สมัยผมเรียนก็ถามว่าเออคนเรามันเกิดมาทําไมเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรใ่ไหมะอได้ได้ได้ได้ได้ได้เรียนอ่าได้ฟังนฮะบอกว่าการเกิดเป็นคนมันยากอห้เจอกับอะไรนะเอล่าตาบอดใช่ไหมแล้วก็อะไรนะโง่ระดับยะให้เจอกับอะไรนะแอะฮะแล้วก็พอดีพี่อะไรเนี่ยผมไม่รู้ความรู้สึกว่าเออการเกิดเป็นคนมันยากเนี่ยในเมื่อเกิดเป็นคนมันยากแล้วเนี่ยเราทํายังไงถึงจะให้หลุดไม่ต้องเกิดไปเป็นคนอีกอะไรอย่างเงี้ย ชาติต่อไปมัจะเกิดเป็นคนอีกหรือเปล่าอย่างนี้ครับอจำนะารก็เลยต้องมาเรียนนะครับเพราะว่าทํายังไงให้ให้ให้หลุดไปอย่างเงี้ยพอมันรู้สึกโตนี่รู้สึกว่าเป็นเป็นเป็นวิธีการที่มันคือตอนแรกมันยากนะเออมันเป็นประโยคพูดอ่ะรู้สึกตัวเห็นตัวเออควมว่าความว่าเห็นตัวรู้สึกโตมันแตกต่างคือมันจะสงสัยกับคาประโยคไอ้คําพูดของภาษาออืม ไม่เข้าใจเกิยเมื่อก่อนไม่เข้าใจว่าดูตัวเห็นตัวมันต่างการรู้สึกตัวเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเป็นมันเป็นกิริยาหมดหรือไงก็ใช่ไหมครับแต่มันมันเ น, นี่ยมันสับสนเว่าผมว่าทุกคนอาจจะสับสนนะเนเห็นเห็ น, เ ห, น, เ, หนเห็นตัวอย่างหรือรู้สึกตัวอย่างอะไรเงี้ยผมคิดว่าประโยชน์คำพูดตรงนี้ทําให้คนเข้าใจผิดครับเป็นภาษาพูดนะฮะแต่ว่าลองมาประดิษฐ์อธิบายวิธีการว่าทํายังไง อันเนี้ยผมที่หลวงพ่อสอนเนี่ยผมว่าผมชอบนะที่เข้าไปในห้องอะไรนะได้มีห้องว่างเข้าไปเนี่ยผมว่าอะไรเนี่ยก็แผมชอบมากเลยเพราะว่ามันทําให้มองเห็นได้ชัดนะบางทีเคยเคยไปบอกคนเห็นไหมเห็นไหมก็เห็ น, หนอะไรลอะไรเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจทบออธิบายอย่างที่หลวงพ่อสอนคือเข้าไปในห้องห้องว่างแล้วเข้าไปเนี่ ย, ใ น, ยน <laughs> ใ, นในห้องมีกี่คนเนห็นเห็นในห้องกี่ี่คนอะไเนี่ย <S <s <แ>อันนี้ทําให้คนมองเห็นชัดมากขึ้นนะครับครับทีนี้อย่างอย่างเรื่อง เห็นตัวเราในห้องว่างเนี่ยแม้กระทั่งทุกวันเนี่ยหลวงพ่อก็ยังแบบเล่นเล่นกับมันอยู่เนาะพอเข้ามาในห้องเนี่ยหลวงพ่อก็เดินไปเดินมาแล้วก็ตาก็มองไปนอกตัวใช่ไหมแต่ทีนี้ว่าไอตาในเนี่ยตาสติเนี่ยมันก็เห็นตัวเราด้วยไงก็เรียกว่าเห็นทั้งข้างนอกเห็นทั้งข้างในพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราเห็นข้างในคือเห็นตัวเราบ่อยๆเนี่ยมันจะมีความแจ่มแจ้งชัดเจนเลยว่าไอตัวเราเนี่ยก็เป็นแค่สิ่งสิ่งหนึ่งที่มีปรากฏให้เห็นนะให้รู้ ซึ่งถ้าในทางสมมุติเขาเรียกว่าตัวเราใช่ไหมหรือบางทีอาจจะเรียกว่าเป็นรูปธรรมหรือบางทีอาจจะเรียกว่าเป็นคือมันเป็นภาษาไงแต่ว่าหัวใจของมันคือให้เห็นก็แล้วกันน่ะให้เห็นว่าสิ่งนี้มีอยู่เออจะตั้งชื่ออะไรก็ได้แต่ขอให้เห็นพอเห็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็แยกได้นี่ระหว่างตัวเรากับตัวเราที่เป็นสิ่งถูกเห็นกับผู้เห็นใช่ไหมมันมันมันเข้าใจได้หลือว่าอ๋อมันมีตัวเราแล้วก็มีที่ผู้เห็นตัวเรา แต่ผู้เห็นตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่เราล้านเปอร์เซนเพราะว่าเราเพิ่งรู้จักนี่ใช่ไหมแล้วก็มันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ที่ที่เห็นตัวเราได้อย่างเงี้ยแล้วพอมีเข้าใจนะพอมันเริ่มเข้าใจปั๊บต่อไปก็เนี่ยเพิ่มความชําชนาญจะเดินจะนั่งจะไปอยู่กลางถนนจะไปอยู่ที่ไหนก็ให้เห็นตัวเองอยู่แบบเนี้ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้แบบเออเข้าใจเรื่องเรื่องที่เขาบอกว่าให้รู้ตัวเองต่อไปก็ไปต่อยอดเราเองว่า อะไรที่มันเกิดขึ้นในตัวเองอ่ะตรงนั้นแหละมันจะเห็นง่ายแล้วก็คือความอาการต่างๆะที่เกิดในเนื้อในหนังเนี่ยมันก็เห็นได้อาการที่เกิดขึ้นในจิตในใจมันก็เห็นได้แล้วสุดท้ายก็จะเข้าใจเลยว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นแหละที่เขาเรียกว่าสังขารสังขารน่ะเนี่ยเนยวันนี้ที่เป็นประเด็นที่เราจะตั้งชื่อกันว่ามีแต่สังขารที่เกิดดับใช่สังขารเกิดดับเนี่ยนี่มองเห็นชัดนะฮะหลวงพอ่อหลวงพอ่งพออธิบายแบบนี้นะะผมว่ายังไงอ่ะไม่เป็นหลวงพออธิบายในภาษาแบบว่า เออภาษาที่ชาวบ้านชาวบ้านที่คนก็เข้าใจนะฮะจริงเพราะว่าบางทีเราใช้ศัพท์แบบมัญญัาบเกินไปเนี่ยอันจะเข้าใจแล้วก็เมื่อก่อนก็จะหลงกับคําภาษาว่าที่เมื่อกี้เรียนเันหลวงพ่อว่าเห็นตัวรู้สึกตัวมันแล้วมันตกต่างกันยังไงความรู้สึกกับการเห็นอะไรเงี้ยมันเป็นกิริยาทั้งคู่เนี่ยอันนี้มาหลวงพ่อสอนเรียภาษาเจ็ดเลยฮะง่ายมากเลยนะฮะเนวิธีการหลวงพ่อผมว่าอันเนี้ยเป็นเป็นสิที่ดีนะครับถ้าคนคน เออมาดูมาเห็นเป็นรู้สึสิตัวนะเห็นตัวเราที่กําลังพูดกาลังถามอยู่ฮะในสังหารเ น, นี่ยมีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะผมว่าง่ายง่ายต่อการปฏิบัตินะฮะ <c oughs> ง่ายง่ายต่อก็เรียกปฏิยังง่ายต่อปทฏิออันนีน้อะไรกันนะต่อเทนิพานะฮะอะไรยากสากี้นคะรับมันอย่างเนี่ยถ้าเราออาถ้าสมมติว่าแต่มันชัดเจนนะตามที่ยกตัวอย่างอย่างที่เราเข้าใจเนาะแต่ทีนี้ว่ามันมีบางคนไงเขายังเห็นไม่ได้นะไอของที่ว่าง่ายเราอ่ะนะ เขาอธิบายเท่าไหร่เขาก็ยังงงแล้วทำตาเหลือกมีเครื่องหมายเฟซชังมาเ ต, ต็หมหัวเลยเลยรู้ตัวเรา <c oughs> แล้วก็คือเหมือนกับว่าเขาเอาตัวเราเนี่ยไปหาตัวเราอ่ะไปเห็นตัวเราคือมันซ้อนกันอยู่ไงก็เลยไอ้ตัวเราที่เป็นผู้หาเนี่ยมันไปบังมันไปบังไอ้ตัวตัวที่รู้ตัวเราโอ้ครับการการรันบังเนี่ ย, ยเดี๋ยวนะหลวงหลวงพ่ออย่างนี้อืมเอาอย่างเช่นนะสมมติว่าตอนแรกเนี่ยเข้าใจแล้วแหละว่ารู้ตัวเรา แต่พอเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัวเราเนี่ยพยายามจะหาไอ้ตัวรู้อีกว่าไอ้ตัวคือเหมือนกับว่าพยายามจะทําความเข้าใจเรื่องตัวรู้อ่ะเนาะว่ามันเป็นยังไงมันอยู่ที่ไหนทําไมมันเห็นตัวเราได้ไอ้ตัวเนี้ยยิ่งสับสนเลยแล้วก็ยิ่งไม่เห็นตัวเราเพราะว่ามันเอาตัวเราไปคิดไปค้นไปหาไงตัวตัวเราอีกอันนี้อันนี้อันนี้ถ้าเป็นเป็นเป็นเป็นออเนี่ยดีฮะทว่พ่อสอนตรงเนี้ยคนส่วนใหญ่นะเท่าที่ผมสังเกตนะฮะในในที่เขาทาที่ในในในกลุ่มนี้ย จะอย่างที่หลวงพ่อพูดคือพยายามจะหาตัวเราเอ้ใช่ใหญ่ละร้อยทั้งร้อย่จะพยายามจะหาตัวเราจริงๆแล้วงหลวพ่อครับจริงๆผมสังเกตหลายหคนแล้วนะฮะแล้วเขาก็จะเขาก็จะงงแล้วมันจะปวดหัวนะฮะมันจะปวดหัวเลฮะฮะมันจะเหมันก็มันมันมีการเพ่งอะนะฮะหาอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยในการฮะฮะในการเพ่งเหมือนกันเข้าฌาน่ะเพ่งอยู่นั้นนะกระมาณนั้นนะครับ ตัวเราหาตัวให้เจอหาอยู่นั่นแหละแต่ตัวเราเมันอีกอันนั้ตัวหานั่นแหละคือตัวเราอีกตัวหนึ่ง <c oughs> ใช่ครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็ น, น, น, นการวิธีการปฏิบัตินะครับหลวงพอคนฟังอยู่จะจะได้เข้าใจนะผมคิดอย่างนี้นะครับเพราะว่าอันนี้การเป็นข่าวหลวงพ่อแล้วก็ทาให้คนที่ปฏิบัติเนะี่ยเข้าใจวิธีการอการจะปฏิบัติที่ที่ที่จุดต้องล้ง่ายต่ออ่นพิภานะครับอ่าอันนี้อันนี้หลวงพ่อครับอธิบายหัวข้อมีแต่สังขารที่เกิดดับนะฮะ หลวงพ่อธิบายเลยครับอ่าก็นะพวกเราเดี๋ยวทําความเข้าใจเรื่องคําว่าสังขาร น, นิดหนึ่งก่อนเพราะบางคนเข้าใจแล้วแหละแต่ทีนี้สําหรับคนที่ไม่เข้าใจหลวงพ่อก็จะอธิบายแบบแบบรวมๆแบบที่ว่าน่าจะเข้าใจง่ายนะสังขารคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีที่ปรากฏขึ้นอ่ะนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีแล้วก็ปรากฏขึ้นนะไม่ยกเว้นว่าอะไรทั้งหมดที่มันมี มันมีเราคือว่ามันเรยกว่ามันเกิดขึ้นมาเนาะเกิดขึ้นมาในโลกนี้เกิดขึ้นมาในในเดี๋ยวพูดไปมันก็ยากอีกครพออธิบายซ้ำๆๆยากเอาใหม่เอาใหม่เอาตามคํานิยามในในบทสวดมนต์แล้วกันเนาะอันนี้เพื่อจะได้อาจจะกระชับก็ได้มันมีในบทสวดมนต์ตอนทำวัดเช้าเนี่ยท่านให้นิยคนิยามว่าสังขารคือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมนะ ทั้งหมดทั้งสิ้นมีความไม่เที่ยงมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปนี่คือคำนิยามของสังขารก็คือถ้าเราจะจับใจความได้ก็คือก็คือร่างกายจิตใจร่างกายและจิตใจเออพ่วงไปเลยแล้วก็รูปประธรรมนามธรรมสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพราะนั้นเรามองได้เลยว่าสังขารก็คือตัวเราทั้งตัวเลยนะ เนี่ยเป็นสังขารทั้งหมดที่เรียกว่าสังขารเพราะอะไรเพราะว่ามันมันปรากฏมันปรากฏความมีของมันว่าเออตอนเนี้ยมันมีแล้วแล้วก็ลักษณะของสังขารก็คือเมื่อมีแล้วต่อไปก็คือมันหมดไปนะมันหายไปอ่านี่คือคําว่าสังขารเพราะฉะนั้นถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่โยมนึกขึ้นได้ขึ้นว่าว่าอันนี้มันเป็นสังขารหรือเปล่าอันเนี้อย่างนั้นเราไม่ต้องสงสัยเลยเพราะถ้ามันมีอยู่ก็คือแปลว่าสังขารแน่นอนเนาะไม่ว่าจะดีจะไม่ดีจะละเอียดจะหยาบ จะบางจะเบาจะจะโล่งจะโป่งหรือจะหนักจะทึบหรือว่าจะเป็นบุญจะเป็นกุศลจะเป็นเป็นบาปเป็นอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่มีเป็นสิ่งที่ปรากฏจัดว่าเป็นสังขารทั้งหมดเลยอ่าทีนี้พอเราเข้าใจสังขารแล้วเนาะแล้วก็มันอยู่ที่ไหนก็คือตัวเราไงแหละสังขารทั้งตัวจะมองอันไหนที่มีอยู่ในตัวเป็นสังขารหมดเช่นจะมองในส่วนที่เป็นผม ผลเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงมาหัวใจน้ำเลือดน้ำหนองน้ำปัสสาวะน้ำบุจรละเนี่ยพวกนี้ที่อยู่ในตัวเราเป็นสิ่งที่มีเป็นสิ่งที่ปรากฏก็จับเป็นสังขารทั้งหมดนะแล้วก็ความรู้สึกในจิตในใจเนาะเช่นความคิดความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเบื่อเป็นเซ็งเป็นโกรธเป็นโลภเป็นหลงเป็นความอึดอัดเป็นความคับแค้นใจเป็นอะไรอะไรทั้งหมดทั้งสิ้น อันนี้ก็จัดว่าเป็นสังขารทั้งหมดทีนี้พอเราเข้าใจสังขารแล้วว่าเอ้าตัวเราทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นสังขารแล้วก็กฎของมันก็คือมันจะต้องมีแล้วเนี่ยพวกนี้จะต้องเสื่อมไปจะต้องหมดไปในที่สุดคือจนกระทั่งว่าไม่เหลือให้ปรากฏให้เห็นอีกทีนี้ในพูดเฉพาะเรื่องสังขารพอเนาะเพราะนั้นเข้าใจแล้วเนาะว่าสังขารคือสิ่งพวกนี้ทีนี้การปฏิบัติก็คือ ให้ก็เรียกว่าให้มีสติเพราะว่าถ้าขาดสติมันลืมไปมันนึกไม่ออกว่าคือมันลืมตัวไปตัวมีอยู่สังขารมีอยู่แต่ลืมลืมก็เหมือนกับว่ามันมีก็เหมือนกับไม่มีอ่ะมันลืมมันเรามันเราไปเที่ยวเนาะออกจากบ้านจริงๆมันมีบ้านแต่พอไปเที่ยวจนเพินลืมบ้านเลยลืมหมดเลยนะแต่มันก็มานึกได้ทีหลังอีกว่าอ๋อเมื่อกี้ลืมไปแต่จริงๆบ้านเรามี เพราะนั้นการลืมหรือการไม่ระลึกรู้ก็คือมันมันมันมืดไปเลยอ่ะมันไม่ระลึกถึงเลยแล้วลืมไปเลยพอลืมเสร็จมันก็ไม่เห็นสังขารเนาะมันก็ไม่รู้จักสังขารพอไม่รู้จักสังขารไอความที่จะให้เกิดปัญญาเนาะที่จะเข้าใจสังขารมันก็ไม่มีเพราะว่าไม่เคยพิจารณาเรื่องสังขารไม่เคยรู้จักพอไม่ไม่เคยพิจารณาไม่รู้จักหรือว่าพิจารณาน้อยมันก็ ทำให้เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าทําให้เกิดปัญญาอย่างช้าๆปัญญาค่อยๆเกิดทีละนิดทีละนิดเพราะเหตุอะไรเพราะไม่ขยันพิจารณาแต่ถ้าขยันพิจารณาพิจารณาเนืองๆอยู่เป็นไปจําบ่อยๆก็จะรู้เลยว่าโอ้สังขารเกิดดับแบบตลอดเวลาเลยเกิดดับตลอดเวลาเลยตรงนี้ก็จะให้รู้ว่าโอ้มันมีแต่สังขารเท่านั้นแล้วก็ที่เกิดที่ดับนอกจากสังขารแล้วมันไม่มีอะไร นตรงนี้สำคัญนะนอกจากสังขารแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรปรากฏเลยเพราะนั้นสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่เกิดแล้วก็มีแต่เฉพาะสังขารเท่านั้นทีนี้การปฏิบัติเพื่อให้มันเร็วให้ทันเวลาก่อนตายเนี่ยก่อนที่จะสังขารแตกสลายเนี่ยจึงต้องขยันก็คือโดยการมีสติรู้ตัวเองรู้ตัวเราเพราะว่าการไปพิจารณาสังขารคนอื่นนะ่ะมันไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกเพราะว่าเป็นของคนอื่น แต่ถ้าสังขารที่เป็นรูปธรรมกายใจของตัวเองตรงเนี้ยมันมีประโยชน์เพราะว่ามันแสดงนะมันแสดงอาการให้รู้อยู่แบบตลอดเวลาแล้วก็ให้รู้ให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งทีนี้มันก็จะมีไอ้ตัวรู้นั่นแหละไอ้ตัวรู้ที่ฝึกไว้เขาเรียกว่าฝึกให้มีสติฝึกให้มีตัวรู้เนี่ยตัวรู้เนี่ยมันจะแก่กล้าเหมือนดวงอาทิตย์อ่ะมันก็ส่องเห็นสังขารดิทีเนี้เห็นสังขารเห็นความเกิดความดับแต่ไอ้ตัวสติไอ้ตัว ตัวสติที่ฝึกไว้เนี่ยมันเป็นญาณเนาะมันเป็นญาณเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นญาณปัญญาเป็นญาณวิมุตต์สามารถรอบรู้ในกองสังขารแล้วก็หลุดพ้นออกไปจากสังขารเห็นไหมมันมีการหลุดมีการพ้นไงแต่สังขารก็ยังเกิดดับเหมือนเดิมแต่ไอิรู้ที่ฝึกไว้เนี่ยไอ้ตัวสติเนี่ยนะมันเป็นมหาสติมันเป็นสติปัญญามันก็รู้แจ้งในกองสังขารมันก็หลุดพ้นออกไปจากสังขารเห็นไหม พอหลุดพ้นก็คือแปลว่ามันพ้นทุกเนี่ยเพราะสังขารนี่แหละคือตัวทุกสังขารนี่แหละคือเป็นทุกขแต่เมื่อมันมันหลุดมันพ้นแล้วนั่นเขาเรียกว่าพ้นทุกเพราะฉะนั้นการพ้นทุกมันไม่ใช่ว่าเราพ้นทุกนะแต่เป็นเรื่องของอ่าเป็นเรื่องของรู้เป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของความความรู้นี่แหละคือมันมีความรู้แจ้งแล้วมันก็หลุดไปเพราะนั้นการหลุดมันก็ไม่ใช่เราหลุดเพราะเราเนี่ยจริงๆมันไม่มีหรอกมันมีแต่สังขาร กับธรรมชาติที่รู้สังขารธรรมชาติที่รู้สังขา น, นั่นแหละคือธรรมชาติที่หลุดพ้นจริงๆเพราะทำไมถึงเราเนีครูอาจารย์ทุกอง์ทุกท่านเนี่ยเวลาสอนเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยสอนให้เรื่องแต่เรื่องรู้เรื่องรู้รู้แต่เราไม่เข้าใจว่ารู้นี่มั น, ม, น, ม, นมันมันมีอันนี้สงอย่างไงมีคุณนะสมบัติอย่างไงเราก็เลยไม่เข้าใจก็เลยขี้เกียจจะรู้อยู่แบบไม่ต้องรู้ดีกว่าสบายกว่าอะไรประมาณนั้นมนะั้งคือ ความความทุกข์ก็ยังมีอยู่แต่เราเห็นความทุกข์นั้นใช่ไหมครับหลวงพ<ส>่อถูกต้องครับสังขารยังมีอยู่เหมือนปกติเลยเนาะเนี่ยอากาศหนาวฝนตกได้ยินเสียงอากาศเย็นก็ยังเย็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ไอตัวสติตัวปัญญาเนี่ยมันเห็นแจ้งแล้วว่าไอเ น, นี่ยคือสังขารมันเป็นสังขารซึ่งเป็นไปตามเหตุปัใจจัยใช่ไหมอย่างสมมติว่าเนี่ยตอนเนี้กลางค่ากลางคืนฝนตกแล้วก็มันเป็นมีเหตุปัจจัยทําให้อากาศมันเย็นอ่ะ พอกระทบร่างกายร่างกายก็รับรู้ได้ว่าเย็นเพราะฉะนั้นเนีายจะปฏิบัติธรรมแค่ไหนอาการเหล่าเนี้ยมันก็มีอยู่แต่มันด้วยสติปัญญาไงเออสติปัญญาคือเข้าใจเข้าใจพอเข้าใจเสร็จแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนกับอะไรนี่มันก็เห็นว่าเป็นธรรมดาเป็นปกติเป็นธรรมชาติเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อพูดามาเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ว่าไอาตอนที่เรา เราเริ่มปฏิบัติเนี่ยคือเราไม่รู้หรอกว่าไอ้หลายทางข้างหน้าเนี่ยเวลาปฏิบัติทําแล้วเนี่ยมันจะที่เขาบอกว่าบรรลุบ้างหรือไปรู้อะไรแล้วมันไปจบที่ไหนคือเราเรามืดไนี่ยเพราะเรายัางไปไม่ถึงเรายัางไม่เข้าใจใ<ช>แต่พอเรียนศึกษาไปปฏิบัติไปฟังครูบาอาจารย์ฟังผู้รู้เขาบอกเขาก็เฉลยให้ว่าเนี่ยจริงๆมันก็แค่นี้แหละแค่นี้ยคือให้มีตัวรู้ให้มีสติแล้วก็ เป็นปัญญารู้แจ้งเห็นแจ้งแล้วก็ไม่หลงยึดในสัมคานมันก็เป็นความหลุดเป็นความพ้นพอเข้าใจเรื่องหลุดพ้นเสร็จแล้วเนี่ยก็แค่เนี้ยแล้วก็ชีวิตที่ยังไม่ตายนี่เนาะก็ทําความเพียรคือให้มันแจ้งขึ้นไปอีกเดิมมันแจ้งแค่นี้ต่อมาก็พัฒนาคือให้มันแจ้งให้เห็นชัดเหมือนที่หลวงพ่อพูดตอนต้นเนาะเห็นตัวเองให้เห็นสัมคานแจ้งขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นพอมันชัดขึ้นมันก็ มันก็ยิ่งแบบไม่มีเชื้อที่จะให้กลับไปไปเกาะไปยึดอีกเออมันหลุดแล้วหลุดเลยประมาณเนี้ยแล้วก็หลุดแบบขาดเด็ดขาดไปเลยขาดต่อไม่ติดอ่ะหลุดแล้วต่อไม่ติดไม่เป็นทุกข์กับมันนะฮะใช่ฮะใช่ได้ไม่เป็นทุกข์กับมันไม่เป็นทุกข์กับสังขารใช่ครับแล้วก็เราก็ปฏิบัติเตรียมตัวปฏิบัติตายก่อนตายนะฮะเราก็จะเป็นคนเราต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของปกติแล้วก็เอตอนมันต้องเกิด เขาเรียกงานทุกเวทนาอะไรนี่นะฮะแล้วเราเตรียมตัวก่อนว่าเออเราจะรู้รู้รู้รู้ทุกเวทุกเวชนาอย่างไรเพื่อเมื่อให้เป็นทุกข์มากไปกว่าที่เป็ น, ปนแล้วก็หลุดพ้นจากเอ่ออย่างอื่หลุดพ้นจากกับความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิด น, นะครับใช่ใช่หลุดพ้นจากทุกข์แล้วก็มันมีปัญญาถึงขั้นนี้ไงว่าอ๋อมันมีแต่สังขารสังขารไม่ใช่เรานีิถ้าพูดถึง ในในพระสุตรในอพุทธภาษิตที่เราสวดมนต์น่ะนะจริ ง, รงๆหลวงพ่อพูดแค่สังขารเนาะแต่ถ้าต่อไปอีกนิดนึง่งเขบอกว่าอตอนแรกเขาบอกว่าเอเดี๋ยวหลวงพ่อพูดเป็นภาษาบาลีนิดหมือนการพระบทสวดมนต์มันมีเนาะสัพเพสังขาราอานิจจาเนี่ที่แปลว่าสังขารคือร่างกายก จ, จิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปไ น, นะนี่คือสังขารแล้วก็ต่ออีกวักหนึงบอกว่าสัพเพสังขาราทุกขา นะถ้าแปลเป็นไทยก็คือสังขารคือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเกิดแล้วแก่เจ็บตายไปเห็นไหสังขารเนี่ยที่มันเป็นทุกข์เนี่ยทนยากก็คือจะต้องเกิดความแก่ความเจ็บความตายนะแล้วก็ต่อมาบอกว่าสัพเพธรรมมาอนัตตานี่พูดถึงธรรมะหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขาร ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเขาบอกแผนที่เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าอ๋อจริงๆสังขารเนาะมันมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ทำทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารมันไม่ใช่ตัวตนเนี่มันไม่ใช่เราเนี่ยชัดเจนมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะฉนั้นเนี่ยตรงนี้ยมันเป็นแผนที่ที่เขาบอกแล้วเพียงแต่ว่าอืมพิสูจน์กันว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยง มันเป็นทุกหรือเปล่าพอพิสูจนเสร็จแล้วอ๋อมันไม่เที่ยงจริงๆมันเป็นทุกสุดท้ายก็อ๋อมันไม่ใช่ตัวตนเพราะมันไม่มีแล้วไงมันดับแล้วมันไม่มีมันหายไปแล้วจะเรียกตัวตนได้ไงเนาะเออก็เลยทําให้เข้าใจเลยว่าเอาถ้าเป็นอย่างนี้มันมีแต่สังขารเท่านั้นเลยมีแต่ธรรมะทั้งปวงแต่ไม่ใช่เราอ่าพอไม่ใช่เราเพราะนั้นจะสุกจะทุกมันก็ไม่ใช่เราไงจะแก่จะเจ็บจะตายเอามันก็ไม่ใช่เรา เห็นไหมต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีครบอ่นแหละความแก่ความเจ็บความตายแต่มันเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องในในสันมผาสเนี่ยมันไม่มีเราเมื่อไม่มีเราเอ้าก็ไม่มีเราแต่ว่าความเจ็บความปวดยังมีเหมือนเดิมแต่มันไม่ใช่เราไง <c oughs> ก็ง่ายและปฏิบัติก็ไม่ยากเพราะว่าเกิดมาแล้วมันต้องยอมรับความจริงไงว่าเกิดมาแล้วมันจะต้องประสบกับอะไรอ่ะ ประสบกับความแก่ความเจ็บความตายใช่ไหมความพลาดพลาดแล้วก็ประสบกับความไม่สมหวังคิดอะไรอยากจะทําอะไรแล้วมันไม่สมหวังเอามันต้องประสบสิเกิดมาแล้วนี่แต่ทีนี้ทําให้เกิดมาใช่ไหมล่ะเออก็มันไม่มีสิ่งนี้ไงเพราะนั้นถ้าเกิดมาแล้วแน่นอนจะต้องประสบกับสิ่งนี้หนีไม่พ้นแต่ว่าถึงประสบแต่เมื่อมีปัญญาก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยไอ้เข้าใจถ้าปัญญาสูงสุดตรงเนี้ยเมืม่อรู้ว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยก็ไม่มีใครจะทุกข์ะ มีแต่สังขารที่มันเป็นทุกข์ใช่ไหม<ช>ไม่ใช่เราเป็นทุกข์กขอเออเวลามสมมติว่าป่วยเนาะป่วยเนี่ยนอนติดเตียงเนี่ยไอ้ที่นอนคืออะไรอะ่ะก็คือสังขารและความเจ็บความปวดคืออะไรก็คือสังขารหายใจไม่ออกคืออะไรก็คือสังขาร<ช>แล้วมันมันหยุดหายใจหยุดไปแล้วก็คือสังขารตกลงนั่นแหละมีแต่สังขารสังขารสังขารไม่ใช่เราตรงเนี้ยมันต้องเป็นปัญญาที่แก่กล้ามากถึงจะข้ามพ้นจริง แต่ว่าถ้าปัญญาจากการอ่านการฟังการจาอ่ะนะแค่เนี้ยมันช่วยอะไรไม่ค่อยได้มากหรอกมันจะต้องประสบของจริงคือต้องป่วยจริงต้องเจ็บจริงต้องพลาดพลากจากคนรักจริงๆต้องอะไรจริงจริงอ่ะออไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ได้แค่เหมือนกับใหม่มันยังไม่เจอของจริงเลยหลวงพ่อเสียลวงพ่อขัดขาด ห, หายหายนะฮะคนตกนะครับแล้วเออเสกขัดขาดหหายนะฮะหลวงพ่อครับ อก็คนนี้ เ, เดี๋ยวหลวงพ่อพูดเพิ่มเติ น, นิดหนึ่งก็คืออาเมื่อหลเมื่อกี้หลวงพ่ออธิบายเรื่องสังขารแล้วเนาะคือเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยเมื่อสังขารเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมันจะต้องประสบกับเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายคือมันเปลี่ยนสภาพเนาะแล้วก็จะต้องพัดพรากจากกันเพราะมันเปลี่ยนไงมันหายไปกันมันมันหายจากกันหรือว่าเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีความคิดมีความรู้สึกเนาะหวังจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่สุดท้ายเนี่ยมันถ้ามันไม่สมหวังมันก็เป็นทุกข์ เออแล้วก็เวลาพลัดพรากจากกันคนเรามันผูกพันกันนี่ใจมันผูกพันกันพอสังขารมันเปลี่ยนมันตายกันไปเช่นเนาะเออพอตายกันไปจากกันไปมันก็ต้องเศร้าโศกเสียใจนะแต่ทีนี้ถ้ามีธรรมะเข้าใจธรรมะก็รู้ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเลยไม่ว่าอาการอะไรมันไม่ใช่เราแต่มันเป็นแค่อาการพอเป็นแค่อาการเนี่ย ถ้ามีปัญญามากมันก็ไม่ทุกอยู่แล้วเพราะมันรู้จักแล้วนี่ว่าอ๋อมันแค่เป็นสังขารเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่า ง, งนางงั้นยอมรับความจริงได้ก็เรียกว่ายอมรับความจริงได้เนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านสอนอ่ะท่านสอนคือให้รู้แจ้งในสัจธรรมสัจธรรมในส่วนที่ปรุงแต่งคือสัจธรรมเรื่องของการเกิดดับยอมรับความจริงให้ได้นะผู้ปฏิบัติธรรมถ้ายังยอมรับความจริงไม่ได้ก็ต้องปฏิบัติต่อจนกว่าใจมันยอมรับความจริงได้อ่า แล้วความจริงก็คืออะไรเนี่ยก็คือสังขารที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความเจ็บความปวดความเมื่อยนะหรือว่าคนอื่นมาพูดกระทบเข้าหูแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจหรือคนอื่นชมแล้วสบายอกสบายใจอันเนี้ยมันเป็นสังขารทั้งหมดท่านจึงบอกว่าให้มีสติเนี่ยมีสติสำปัญญะแล้วก็อย่าไปหลงเพลินยินดีกับสิ่งที่ถูกใจแล้วก็อย่าไปยินร้ายกับสิ่งที่ไม่ถูกใจ เพียงแต่รู้เพียงแต่รู้สิ่งที่กําลังปรากฏเพียงแต่รู้ซื่อๆรู้เฉยๆบางคนก็อบอกรู้เฉ ย, ยๆแต่บางทีก็อบอกรู้ซื่อๆรูๆ้ซื่อๆหรือบางคนก็รู้อย่างที่ใจเป็นกลางเนี่ยพวกนี้ยนะเพราะฉนั้น่ะเราปฏิบัติธรรมนะอย่าไปหวังนะปฏิบัติแล้วใจจะสบายจะโล่งจะโปร่งตลอดชีวิตอ่ะไม่มีหรอกเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไงแล้วโยมจะรักษาให้ดีขนาดไหน ก็ไม่มีทางจะสำเร็จเพราะฉะนั้นเพียงแต่ยอมรับความจริงก็คือเมื่อจิตใจมันสบายก็รู้ว่าสบายเมื่อจิตใจรู้สึกว่ามันวิตกกังวลอะไรก็รู้ว่ามันวิตกกังวลหรือบางทีมันอาจจะคิดฟุ้งซ่านก็รู้ว่ามันฟุ้งร้านหรือบางทีมันสงบก็รู้ว่ามันสงบไม่ต้องอยากมีอยากได้อยากเป็นอะไรทั้งหมดเลยเพียงแต่รู้ความจริงนะรู้ตามความเป็นจริงในปัจจุบัน แค่นี้แหละที่เขาบอกว่าเพียงแค่รู้แค่รู้ถ้าเข้าใจถูจกอย่างเนี้ยโยมจะไม่เห็นมันยากอะไรเลยอรับก็คือแค่รู้ไงเลยมันยากตรงไหนทุกฝึกนะครับบางคนอาจจะทําใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆไม่มีการทําไม่มีใครทําใจนะะที่จะรู้รู้วา่าเริ่มต้นอ่าเริ่มต้นจากการฝึกหมดแหละเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหนึ่งไม่เข้าใจก็ฝึกไปมั่วๆไปก่อนแต่พอตอนหลังชัดเจนเขาบอกว่าอะไรเกิด ข, ขึ้นก็แค่รู้ เออก็ฝึกไปเรื่อยก็คือแค่รู้แล้วต่อไปมันจะรู้เร็วขึ้นรู้ทันขึ้นนะเช่นสมมติว่าพอโกรธเมื่อก่อนเนาะโกรธแล้วไม่รู้ไงพอไม่รู้เสร็จมันก็เผาลนจิตใจทําให้ทุกข์ทรามานครับแข้นใจแต่ต่อไปเนี่ยเมื่อมีประสบการณ์โกรธบ่อยๆอ่ะมันก็จะรู้ทันขึ้นว่าอ่ามีอาการแล้วมีอาการขัดใจแล้วมีอาการไม่พอใจแล้วทําท่าจะโกรธแล้วมันก็รู้ทันเนาะแล้วก็พอมันรู้ทันเร็วๆแค่กระดิกนิดเดียวว่าทําท่าจะโกรธเอ้าความโกรธหายไป แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องไปหวังมันนะเอาตามความเป็นจริงนั่นแหละคือแค่ไหนแค่นั้นแต่ว่าถ้าเข้าใจถูกอ่ะมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ที่มีปัญหาคือเข้าใจไม่ถูกเช่นอยากจะโกรธแล้วอยากให้หายเร็วๆหรือไม่ให้มันโกรธไปบังคับขู่เข็นอะไรไว้เนี่ยพวกเนี้ยมันมันทําไม่ได้เพราะฉนั้นให้มันปรากโกไปเถอะยิ่งเกิดมาเท่าไหร่ก็ยิ่งดีจะได้เป็นเครื่องคู่ซ้อมของของสติใช่ไหมเกิดทีนก็รู้ทีหนึ่งเกิดทีก็รู้ทีนึง เออเียม <to throat> ีประโยชน์หมดนะอย่าไปกลัวนะอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้น